ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทลัยศรีปทุมกำลังพูดเรื่องทุกขสัตว์คือในอริยสัจทั้งสี่ที่ทรงเรียกในสติปัฏฐานสูตรว่าสัจจะปปะพะคือหมวดที่ว่าด้วยอริยสัจ ก็ส่งแสดงถึงทุกตามที่เราสวดสาธยายกันทั่วไปเพราะอริยสัจนั้นเป็นธรรมเทศนาแนวนิ ป, ปริยายหมายความว่าส่งแสดงไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นทุกทีแต่ชายหัวข้อว่าอริยสัจกบ็บรรกรณ์ได้พูดถึงเรื่องเกิดแก่ตายซึ่งเป็นสภาวะทุก ทีนี้เกิดแก่ตายตามปกติแล้วเนี่ยหรือจะพูดทับศัพท์ลงไปอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยอธิบายลักษณะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรารู้กันแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเรามักจะมีการถกเถียงมีการขัดแย้งกันแม้แต่ว่ากรอบของคำว่าความเกิดก็ดี่ความกันเองไปด้วยวิธีการต่างๆ พยที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าส่งสัจสรูปแล้วก็ส่งแสดงจากการสัจสรูปเราเองเราไม่ได้สัจสรูปเพิ่มเมื่อจะแสดงก็ต้องแสดงไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงปวงนิยามทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพิ่มเมื่อส่งนิยามกำว่าความเกิดก็หมายถึงความเกิดในกำเนิดทั้งสประการ เรากำเนิดทั้งหลายในโลกมันก็มีแค่สี่โลกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่รู้อะกำเนิดของมนุษย์ก็มีแค่สี่แม้ว่าหลังจะมีการโครนนิ่งได้แล้วก็ปีนี้ก็ผ่านการทากริปไปแล้วมีการโครนนิ่งกันแล้วแล้วกคงอยู่ในกำเนิดทั้ง4ี่ประการเพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบ แต่บอกโดยเนื้อหาแล้วก็คือคืออย่างเดียวกันก็คือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุกโผลกเกิดโดยผุดขึ้นทีนี้พอ ม, มาถึงความแก่เนี่ย่งตั้งคำถามในลักษณะที่เรียกว่าคะเทตุการมยตาปุชฌาคือเสั่งถามเพื่อจะตอบเอง เด่กก็เป็นการเน้นประเด็นเป็นการเรียกความสนใจของผู้ฟังให้มาอยู่ในประเด็นเรกสั่งถามว่าก็ชรลาเป็นไงเด็วก็รับสั่งตอบเองว่าความแก่ภาะวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังยน่นความเสือ่อมแย้งอายุความแก่งอ่อมแมงอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันนี้เรียกว่าชาระเป็นเรความแก่งงอมของอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ในแง่ของความจริงมันมีทั้งยีบสองอินทรีย์แต่ว่าตัวนี้ชัดเจนว่ามันแก่งงอมเนี่ยคือตาหูจะหมุกลิ้นกายมีความชัดเจนว่าแก่งอมแต่ก็ใจก็อาจจะเสื่อมถอยไปด้วยนะกําลังใจก็อาจจะเสื่อมถอยไปด้วยแต่ว่าใจก็ไม่แน่ คืออาจจะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้เพระ้ากว่าจิตใจได้เพิ่มอินทรีย์ส่วนที่เป็นกุศลละธรรมคือสถาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ก็จะแก่กลายขึ้นได้แต่ว่าตาหูจะตาหูจมูกลิ้นกายใ้นชัดเจนว่ามันเป็นแก่งอมลงไป อาการเหล่านี้เป็นอาการที่เราสัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจำวันเรามองหน้าตัวเองในกระจกก็เห็นว่าความแก่ก็ปรากฏภาวะของความแก่ก็ปรากฏฟันก็อาจจะซ่อมแซมกันแล้วผมก็ออกนอกแล้วอาจจะยอมไปบ้างก็เป็นเรื่องติ็นเรื่องที่เรายอมรับประนังเองมันก็เหี่ยวยน่นความเสื่อมของอายุนี่แน่นอน ว่าอายุเราเนี่ยก็เสื่อมไปเรื่อยๆโดยทีนี้ก็เดินใกล้ความตายเข้าไปแล้วก็ลักษณะเหล่านี้คือเราอาจจะนับเองกันังนับเองก็ได้ก็เวลาทรงแสดงจะทรงแสดงเพียงตัวอย่างไม่ใช่ว่าออกมาทั้งหมดมันไม่จาเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเผชิญอยู่ด้วยตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นให้เราทราบรแก่ในความหมายของคําว่าชานี่คืออย่างนี้พระเจ้าแสดงหรือพระอริยสาวกแสดงก็ก็คือกันสแสดงไม่เหมือนกันจากนั้นก็ส่งใชาคำว่ามรมรณะมรณะก็ที่จริงก็คือคือที่ตายจริงๆอ่ะที่เราตายอ่ะที่คนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายะตอะไรต่อเลยเนี่ย ก็ทรงนิยามว่าความเคลื่อนเพราะว่าของความเคลื่อนหมายความว่าเคลื่อนจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่งจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งมันก็อาจจะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่าไม่ใช่อาจจะแล้วคือเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ภพนั้นอาจจะไม่เปลี่ยน น่าจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเกิดจากพลังของกุศลอกุศลที่แรงพอไหมจะเรอจะเคลื่อนจากมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทพความเป็นพรมมันเกิดขึ้นจากพลังของกุศลหรือว่เคลื่อนจากมนุษย์แต่ไปสู่ความเป็นสัตว์นรกเป็นเดชะน์เป็นเป็ดเป็นอสุรกายก็แสดงว่าพลังของอกุศลก็แรง แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือถึงจุดหนึ่งก็คือการแตกทำลายบางครั้งอธิบายคำว่าการแตกทำลายแ like ห่งอินทรีย์คือชีวิตแม้ทั้งสิน้นหมายควาอินทรีย์ทั้งห<ม>ลายเนี่ยมันแตกสลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแตกสลายมีก็ทำงานอะไรไม่ไดนะ้ตอนตายแม่ใหม่มันก็ยังอยู่นะ แล้วก็มีก็เพียงแต่เป็นสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากดิน้ำลงไฟอากาศส่วนผสมที่เป็นโล ก, กวัตถุแต่ว่ามันอินทรีย์อินทรีย์คือใจในมันดับบนความตายบางครั้งนี่ทรงอธิบายว่าหมดบุญหมดอายุหรือหมดกันได้อย่างหนึ่ง ก็หมายความว่าวิญญาณจะดับก่อนแล้วก็พอวิญญาณดับไปลมหายใจก็ดับไลมหายใจก็ดับความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของสังขารเนี่ยมันก็จะปรากฏได้เห็นดังนี้ก็เป็นกรอบของคำว่าความตาย แต่ความหายไปการหายไปนั้นแม้แม้ต่ส่วนก็รู้ประคันหนึ่งจุดหนึ่งก็หายไปแต่ก็ไม่หายเร็วนะส่วนนามะขันนี่หายไปเร็วคือส่วนจิตเนี่ยก็ดับไปเร็วและความขาดแทงอินทรีย์คือชีวิตในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าสัตว์เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสปโรเกิดด้วยผุดขึ้น เวลาหายไปมันจะแตกต่างกันอย่างพวกสัตว์ในโลกพวกเปรตพวกอสุรกายพวกเท พ, พวกพรมเนี่ยก็ดับพรดไปเลยคือหายไปพร้อมๆกันทั้งนามทั้งรูปแต่วสัตว์ที่เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกนั้นสิ่งนามธรรมก็จะหายไปก่อนรูปธรรมก็ค่อยๆหายไปซึ่งอาจจะรักษาไว้ได้นานๆอาจจะสตาร์บไปอะไ ร, รไป ไ, ได้ แต่มันก็สักแต่ว่ า, าธาตุครับก็เมือนก็ทาธาตุทั้งหลายเราเห็นว่าศพที่สตาร์บเอาไว้ที่จริงก็คือดินน้ำลงฝ่ายอากาศแล้วก็มีเต็มไปหมดอ่ะข้างๆแต่ว่าชีวิตอินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจเนี่ยจมีตัวใหญ่มันก็ดับไป ทีนกรอบของคำวัตถุอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเป็นการพูดถึงทุกขตาคือทุกขตากับทุกขสัตว์นี่มันมันจะต่างกันหน่อยทุกขตาเนี่ยมันจะคลุมจักรวาลแต่ว่ทุกขสัตว์เนี่ย จ, จ, จะเป็นการพูดถึงผลซึ่งเกิดมาจากกิเลส ปลูกง่ า, าจะเน้นกับสิ่งที่มีชีวิตเพราะมันมาจากสมุทยัยลักษณะ จ, จะมีเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างที่เหมือนกันก็คือมีเหตุปัจจัยปลุกแต่งที่เหมือนกันก็คือว่ามีความไม่คงที่คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและในขณะเดียวกันก็จะถูก แผลเผาให้เกิดความ เ, าเกิดความาร้าเริงด้วยประการต่างๆแล้วก็มีการเบียดเบียนอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนคือมีคนมีสิ่งที่รู้สึกสเสวยอารมณ์นั้นรู้สึกว่าตัวเองถูกเบียดเบียนรู้สึกว่าตัวเองร่าวรอนรู้สึกว่าตัวเองแปรพันรู้สึกว่าตัวเองเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ปรุงแต่ง เพราะว่ามันมีใจคลองอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากจากสมุทัยแต่ว่ากรอบที่จริงก็คลุมกันนะ่ะคือเวลาที่บายในที่บางแห่งอย่างพระตถาจารย์ถ้าไปเพิ่มขึ้นโอ้เพิ่มเป็นสิบสิ บ, สบข้อเลยแต่วันนี้ดีการธรรมจักเนี่ยทันยอาทบายอย่างละสี่ก็เรียกโสลสกิตคือกินสิบกประการของริยสัจแต่ละข้อก็มาความมาข้อละสี่ สี่สก็สิบหในที่นี้ก็แล้วแต่ท่านจะเรียนไงนะเกิดแต่เย้าข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก่อนก็ไม่ถือว่ากันก็แคล้ายๆกับเราอธิบายภาพเนี่ยเราจะพูดตรงไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าพูดให้ดีแล้วพูดไปตามลําดับมันค่้ายๆกัเราเดินเนี่ยเดินไปข้างหน้าตามลําดับเราขึ้นก็สูงึไปโดยลําดับเราลงก็ลงไปโดยลําดับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าภาพพด คือพดเนี่ยมันสะท้อนภาพได้มันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากปัจจัยปลุงแต่งก่อนแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการเบียดเบียนด้วยปัจจัยต่างๆแล้วก็จะรู้สึกเราร้อนคือหมายความว่าการจะรู้สึกว่าเราร้อนเนี่ยมันก็ต้องมีจิตก่อน เพราะงั้นเราจะเร า, เราจะพบอาการเหล่านี้เวลาสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ตอนเช่นคนเราเนี่ยก็สมบูรณ์ตอนที่เราเกิดอะตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในคันมันดาก็เรียกว่าส่วนประกอบของความเป็นชีวิตสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ถึงก็คลอดออกมาขรับนาะก็เราก็เจอทุกครบทั้งสี่ลักษณะ พอมาถึงในชีวิตประจำวันเราก็เห็นชัดเจนว่าเราความประสงคนะ์ความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นผลมาจากความเกิดทีนี้ทรงอธิบายถึงทุกจรนะทุกจรก็คือปกิณกะทุกเป็นทุกที่จรมาวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเข้ามาเขาก็ฟังเทศมานานแล้วนะ แล้วมาพูดบ่อยๆว่าโลกนี้เขามีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกอย่าแบกมากเกินไปมันยุ่งแกบอกแ ก, กไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ก็อายุหกสิบกว่าแล้วก็เข้าใจแล้วนะฮะก็เข้าใจแล้วก็ามาประรบว่าฟังท่านเทศเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดอย่างนี้เมื่ก่นี้มาแค้แค่กำมาเจตนาจะมาบอกฮง เพราะว่าแกมาถึงก็ไหว้แล้วก็พูดประรบตรงนี้แล้วก็ลากลับเรคงจะเกิดเข้าใจอะไรขึ้นอันนี้คือคือมันก่อให้เกิดความสุขความสุขความร่ไรรํำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแกนใจแต่และอย่างนี่ทรงอธิบายลักษณะแต่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วเรารัก สิ่งเหล่านั้นรักตัวเองก็ดีรักสิ่งของก็ดีรักคนก็ดีรักสัตว์ก็ดีรักสิ่งก็ดีแต่เราต้องการรักตนและสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปในทางที่เราไม่ต้องการให้เป็นเราแสดงว่านิสัยประเดษกาเนี่ยฐฐ น, นะอยจะไปกบาบังบังคับควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการให้เป็นพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นเราก็เกิดความโศก ตัวลักษณะของความโศกในทรงอธิบายว่าก็โศกะเป็นชนความแห้งใจกิริออยาติแห้งใจภาวะของบุคคลผู้แห้งใจความผากหน้าภายในคือรู้สึกแห้งผากบางทีคอก็แห้งผากบางทีใจมันก็ผากกี่ยมันคล้ายๆกับหมดอะไรตายอยากอะไรตเ มันสลุดตัวถมันมันซึมเศร้าซึมลึกๆลกงไปก็หมายความว่าเกิดขึ้นภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความยินดีความพิบัติคือมาควา ม, มาการพัดพลากสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นการพัดพลากสูญเสียจากสิ่งที่เรารักใคร่พอใจ ท้าทรงสอนไว้ในพินาปัจเจกขณะว่าเราจะต้องพราดพลากจากของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปให้เตยมใจตั้งหลักเอาไว้ว่าการพราดพลากนั้นเป็นนิรันดรเราจะต้องพราดพลากแน่นอนมันไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปแต่วพวกนี้ก็ตั้งหลักไม่ได้เขาก็สูบเพราะอะไรเพราะถูกทุก ทุกทมคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกะทีนี้ปริเทวะความร่ำไรรำพันเนี่ยคร่ำครวนร่ำไรรำพันอะไรแต่ที่จริงมันก็สึ ก, สกเนื่องมาจากโศกะก็เกิดขึ้นมาจากการพลัดพลาดสูญเสียแล้วก็เก็บข้างไว้ภายในใจยืดเยื้อยาวนานเพราะะนั้นคนบางคนเราจึงพบว่า เราคุยกับการพลัดพรากสูญเสียที่มันผ่านมาเป็นสิบสิบปีปุดไปพุดมายัางร้องไ ห, ห้แสดงว่าไอตัวโศกปริเทวาเนี่ยยังมีเชื่ออยู่ภายในใจรู้สึกว่าเราได้พลัดพรากสูญเสียทาไปทำมาน ก, ก็เราก็ไปยุ่งนะ่ะคือถ้าอย่าเอาอัตตาตัวตนเข้าไปรับแล้วรัรบก็ยังรู้เท่าทัน ถึงกติธรรมดามือแขกมาบ้านเราอะเราก็ดีใจญาติพี่น้องมาเยี่ยมเราก็ดีใจญาติพี่น้องจากไปเราก็ก็ต้องยอมรับอะท่านมาเยี่ยมไม่ใช่ท่านมาอยู่แล้วก็ต้องไปวังการจากไปจึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรารู้มาตั้งแต่แกมาแล้วว่ามาเพื่อจะไปไม่ใช่มาเพื่อจะอยู่เออ้าอยู่ก็อยู่ไม่กี่วันก็แล้วแต่จะอยู่ แต่ว่าจบลงที่การพลากจากไม่ใช่จบลงด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นนิรันด์เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นนิรันด์มันไม่มีทีนี้อธิยุ่งเนี่ยคือเราอยากให้สิ่งที่มันมีไม่ได้แต่ให้มันมีเป็นการไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตจะถือว่าเราไม่เข้าใจสิ้นเชิงก็ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาคนอื่นประสบการณ์พราดสูญเสียร้องไห้พิริพไรลำพันธ์ข้าครวัวญ โหยหาอะไรอะไรอะไรเราก็ชี้บอกได้เราก็ชี้แนะเขาได้สามารถอธิบายได้แต่บอผมตาตาตัวเองมันพูดไม่ออกแล้วก็แสดงว่าในแง่ของความจริงเรื่องนี้เรารู้แต่ว่าเราทำใจไม่ได้ก็คือไม่รู้เพราะถ้ารู้ก็ต้องทำใจได้ต้องตรงตกในสังขารย่างๆ ปรีเมเทวาพระสั่งว่าความคร่าครวญความร่ําไรลําพันกิริยาที่คร่าครวญกิริยาที่ร่ําไรลําพันภาวะของบุคคลผู้คร่ําครวญราะว่ะขอมบุคคลผู้ปีริภัลร่ำพันที่ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวาต่อกันมานะฮะทีนี้ทุกข์เนี่ยคือทุกข์ม า, าขึ้นอยู่กับกับที่มาของเขา เราเห็นว่าทุกบางอย่างเนี่ยหมายรวมกันหมดทั้งทุกกายแล้วก็ทุกใจแต่ว่าโดยทั่วไปในลักษณะที่ทรงสอนธรรมะโดยละเอียดนั้นจะแยกเป็นทุกขโทมนัทสุข ก, กสมานัทเป็นเวทนาห้านะแทนที่จะเรียกจะจะเรียกเวทนาแค่สามเนี่ยจะเรียกเวทนาห้าคือคือสุขสมานัททุกโทมนัทแล้วอุเบกขา ในที่นี้ที่จริงเวลาแสดงเนี่ยตรงแสดงทั้งเก้านะตอนตอนเวทนาอุปสรนาสติปัฏฐานส่วนแสดงเวทนาทั้งเก้าจะนี้อาการของความทุกข์ในที่นี้คืออะไรความลําบากกายความไม่สําราญทางกายความเสยอารมณ์อันเป็นทุกข์ไม่สําราญเกิดแต่กา ย, ยาสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์จะหนาวจัดร้อนจัดเ จ, จ็บปวดปต่างๆเน็ดเหนื่อยต่างๆและไทอะไรเนี่ยมันมันก็เป็นทุกข์ ทีนี้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าใจไปคิดว่าเราเราเหนื่อยเราหนาวเราเจ็บปวดเราประสบความทุกข์ทรมานถ้าพอเราออกไปมันก็จบนานมาแล้วจริงก็นานมาสูรศึกว่าแถวสักปศพันสองพันห้าร้อยหนึ่งห้า้อยสองเนี่ยนะือได้ไปในงานศพ พระเทระผู้ใหญ่ไปรถน้ำศพเป็นราชาการะด้ชั้นภุมสมัยนั้นก็ยังนิยมใส่โกดปรากฏว่าใส่โกดไม่ลงตัวท่านใหญ่โอ้ยเขาต้องเขาบอกว่าต้องเฉือนที่ที่อะไระทะโพกะนะฮะเกิดตงหักแข้งหักขาแ ล, ล้วผลุทยก็เอาแข้งกับขาเอาอะไรล่ะเอาเข่าสองเข่ามามัดารวมกับส่วนหัว ดูแล้วก็โวยน่านสลดแต่นี้เราก็เห็นด้อย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวตนที่เรารู้สึกเราเป็นเรามีนะพอตายเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่ใช่เราหรือใครจะเอาไปทำอะไรมันก็ได้เอาไปหกักแค่งหักขายังไงเอาไปเผาไฟยังไงก็ได้ก็ถ้าไม่ได้คิดนะว่า ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือคือพอเราไปเห็นเนี่ยมันเป็นการบอกความจริงคือความจริงก็เป็นยังไงพระเจ้ทาทรงชี้บอกอย่างนั้นแต่ที่เรารับรู้เนี่ยมันรับรู้ไม่จริงเรารับรู้แบบเขาเรียกว่าวิปลาสคือมันคลาดเคลื่อนจากความจริงไปมองสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเที่ยง ตอนนี้มองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขรพระพระิพรากก็ทําใจไม่ได้หรือประสบกับความทุกข์ต่างๆซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววะแต่เราก็ยอมรับไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็เกิดเกิดความทุกข์ในส่วนร่างกายคือรู้สึกว่าเราเราถูกเบียดเบียนเราถูกแผดเผาเรามีความ ร, า ร, รา่างงราอ้อนเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างโน้นจิตใจก็เดือดร้อน แล้วแม้แต่ของเราก็เดือดรอ้อนเราเห็นว่าในช่วงปลายปลายเดือนธันวาคมตั้งแต่กลางเดือนไปตั้งแต่โนัน่นตั้งแต่แถววันที่สิบมาเนี่ยมันมีข่าวน้ําท่วมทางพักได้ก่อนนนั้นก็น้ําท่วมทางพักเหนือในขณะที่น้ําท่วมทางพักได้พี่น้องเราทางนั้นเอามะพาอีสานหนาวอีกละทางเหนือก็น้ําท่วมบางหนาวบ้างเออสุดเป็นห่วง รู้สึกวิตกกังวลก็แต่เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็ตั้งความปรารถนาะที่จะเห็นเขารอดพ้นจากทุกขเวทนาเ่านันแต่้นขณะเดียวกันก็ไม่ได้เก็บมากรุ่มมันมีอะไรพอทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อไปนี่เขาเรียกโทมานัทโทมานัทจะเน้นที่เรื่องใจละ แต่ว่าทุกนี่เน้นที่กายไปแบกเปแบกตัวทุกเพราะยิงกับมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเราะั้โธมนัตก็รับสั่งว่าโทมนัตเป็นเฉยไหนความทุกข์ทางจิตความไม่สําราญทางจิตความเสวย อ, อารมณ์อันเป็นทุกข์ไม่สําราญเกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัตคือใจไปสัมผัสอารมณ์มาทางไหนก็ได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ แต่เราไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นในลักษณะที่ทาให้ไม่สบายให้เราสังเกตว่ากาหนดด้วยโทสะก็ได้นะฮะ <c oughs> กาหนดด้วยโลภะก็ได้ <c oughs> กาหนดด้วยโมหะก็ได้กำหนดด้วยความกลัวก็ได้ <c oughs> แล้วแต่เราก็เกิดโทมณนัตได้ทั้งนั้นแหละฉันคนนี้เราไม่ชอบเขามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก้าวหน้าไปเราก็เกิดโทมณนัต หรือว่าของคนสัตว์สิ่งอันเรารักต้องพลัดพรากจากไปต้องแตกทําลายไปต้องตายไปเราก็โทมนัตบาทีก็กลัวต่ออันตรายทั้งหลายต่อภัยธรรมชาติทั้งหลายต่อโรคระบาด ท, ทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดความโทมนัตได้โดยบางครั้งเราเกิดจากการไม่รู้ เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นเราก็เออโธมานาดากนแล้วแต่ตอนนั้นคือคือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลาท่านแสดงน่ะท่านแสดงโดยปริยายคือท่านยกมง ห, หมดไม่ได้ไม่มีใครจะเอายกมงกุฎหรอกนะเช่นว่าในอริยสัตว์เนี่ยจะเน้นที่ตัณหาทั้งสามพอคนอื่นพูดเรื่องกิเลส ต, ตัวอื่นก็เลยก็คัดค้านเลย นั่นคืออะไรคือเราไม่เข้าใจว่าตรวเนี้ยหมายถึงตัวแทนของกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่ากิเลสเราอื่นไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์กิเลสมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเวลาทรงแสดงเนี้ย่งแสดงที่ตัวตัณหาเพราะอะไรเพราะว่าอาการมันใกล้ชิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์ นั้นมั น, ม, นบบมีลักษณะที่ใกล้ชิดกันก็แสดงได้ง่ายแต่เราจะต้องเข้าใจว่าคนอื่นจะพูดกิเลสตังอื่นก็พูดไปก็เป็นวานไรก็ถูกทั้งนั้นแหละถึงสรุปแล้วว่าสัรพกิเลสทั้งหลายมีชื่ อ, อยังไงช่างมันมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจ ทีนี้บางทีเนี่ยพอเรายึดติดในสิ่งที่เราจำมาพอพอคนอด่นพูดไม่ตรงกับที่เราจำมาก็เลยก็เลยผิดแหลคือเราไปคิดว่าผิดเองไม่ได้เราต้องเทียบกับมาส์คือเอาพระธรรมวินัยเป็นมาส์เป็นเครื่องวัดชี้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ข้อต่อไปอุปายาตยเป็นลักษณะซ้ำซากคือมันพามาพลัดพรากสูญเสียอะไรอะไรต่างๆมันซ้มสากนกเกิด แล้วเกิดอาการขับแคลนเช่นว่าครอบครัวต้องพลัดพร่าสูญเสียอย่างพี่น้องแถบที่โดนสึนามินะะเราเห็นว่านั่นคือลักษณะอุปาย่าที่อยู่ภายในใจของท่านเรานั้นมันก็ช็อกไปเลยอะเพราะเวลามันสั้นนิดเดียวคือคนขนาดพระบัตาจาริเทีคนมีบารมีจะเป็นพระหานย่างช็อกเลย เป็นนับภาษาอะไรกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราธรรมะเราเข้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยจะตั้งหลักยากแต่ถ้าคนนี่เ็เข้าถึงมาเคยเคยอ่านข่าวแต่ข่าวเล็กๆนะข่าวที่ร้านทองแถวประตูน้ำมาหลายปีก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยครอบครัวครอบครัวนี่ตายหมดอย่างเหลือแต่หญิงสะพ้ายคนเดียวตกร้นฆ่า ก็อยากจะพบคนเนี้ยเขาคิดยังไงเขาทาใจยังไงเขาอยู่ยังไงในตอนหลังเราก็ไม่รู้นะที่จริงถ้าให้เขาเขาอธิบายเขาอธิบายเราจะจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะเขาเรียนรู้จากภาคสนามเขาตั้งหลักได้จากภาคสนามเขาไปเชิญวิกฤตทางอารมณ์อย่างแรงได้แต่เขาไม่มีอุปยาต แต่ที่นี้มีรือไม่มีรราไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ติดตามแต่ว่าสิ่งที่น่าติดตามเนี่ย่หลังจากนั้นเนี่ยเขาครองชีวิตตายยังไงหนึ่งปีผ่านไปยังมีความขับแค้นใจอยู่ไหมรดยเจ็นว่าลักษณะของปายาตมันมาทั้งโลภะโทสะโมหะบนพระอุตตระรอธิบายเนี่ยความแค้นความขับแค้น ภาวะของผู้แขนคือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นอยากให้เป็นอย่างนี้ไมันไปเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างโน้นมักลับไปเป็นอีกอย่างหนึง่งเลยก็เกิดอาการคับแขนแล้วก็บุคคลผู้คับแขนบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือพระทากทัณฑแหละคือสรุปว่าตัวเหตุนี้เกิดจากรักแต่ว่าอย่าลืมมาเข้ามาจากโมหะ เพราะถ้าเรารู้เท่าทันในความรักในสิ่งที่เรารักแล้วเข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่มีอะไรอ่ะอย่างนี้กนยกตัวอย่างพระนงางบาลิกาเทวีชายาของท่านพันธุระเสนาบดีเนี่ยมันชัดเจนมากว่าคนภายในครอบครัวถูกฆ่าตายคืนเดียวตั้งสามสิบสามคน ปขาตั้งหลักได้เลยเบอสิ่งก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วคิดไปก็ป่วยการมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทุกไปก็ทำนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตัวเองเพราะลักษณะเหล่านี้เราเห็นว่าอาการเก็บกดอะผิดหวังซ้ำสากจนดือัดคับแค้นคุณเครื่องอรารวาสอะไรได้ง่ายนะ คนราหนีพ้พอพอออกก็จริงเนี่ยอารวาสอะไรได้งา่ายซึ่งเราต้องเข้าใจเขาคือยังเนี่ยยังยังนึกว่าสังคมเราถ้าพยายามเข้าใจอริยสัจสักระดับหนึ่งระดับที่ตั้งหลักได้เออนี้มันทุกจริงนะอันนี้เป็นเหตุเกิดของทุกจริงนะอันนี้นความดับทุกจริงนะ น, นี้เป็นข้อปฏิบัติถึงถึงความดับทุกจริงอย่างน้อยที่สุดถ้าเราสัมผัสระดับสีได้นะ ระับสีได้โทษตัณหาแรงๆก็จะลดทุกเแรงๆก็จะลดแล้วก็สัมผัสอาการของนิโรธอย่างอ่อนๆได้กรอย่างน้อยก็คลองตนคลองคนคลองงานครองเรือนครองสุขได้ประการต่อไปก็คือความประจวบกษัตริย์และสังขารนั้นไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อันนี้คือเรากําหนดเราเอง ปัญหาต้องการว่าที่เราคิดยังไงอ่ะคือคนสัตว์เนี่ยเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะ่ะเราจะรักหรือเราจะชังเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นคือถ้าเราถือว่าเขาไม่ดีเรารักเราต้องชังมันไม่ใช่อะ่ะญาติพี่น้องเราไม่ดีเยอะทําไม ร, ารักอะ่ะหรือเราชังเพราะเขาดีเขาเด่นอ้าวแล้วทําไมญาติพี่น้องเราเวดีเราเด่นเราเราจึงรักล่ะ มันก็มันก็เป็นเรื่องความคิดเราเองอ่ะคือเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราไปกาหนดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบคนบนี้เราไม่ชอบสัตว์นี้เราไม่ชอบมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าปรารถนาไดแล้วไม่ได้ตามที่เราต้องการคือการต้องเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งที่เราไม่ชอบ ความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนี่เราคิดเองไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเราคิดเราเองเรากาหนดเอาเองแล้วก็เลยหา ข, ยาข้อยุติไม่ได้้าข้อยติไม่ได้อันมาอย่างมองถึงว่ า, ามมลักษณะการสมมุตินะลักษณะการสมมติทั้งหลายเนี่ย ในขณะที่สังคมหนึ่งเขายอมรับตำถือสถานะของคนคนนั้นเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรมตรีของประเทศหนึ่งประชาชนเองส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับแต่ว่าท่านเหล่านี้ไปในบางประเทศเอา้าปรากฏว่าถูกคัดค้านถูกต่อต้านถูกยกป้ายขับไล่ เห็นไหมว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องเราคิดเราเองเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละคือคุณเกลียดเขาก็เป็นประธานาธิบดีคุณรักเขาก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยคือคนจะรักจะชังในนั้นนก็เป็นเนี่ยบทความรัะความชังเราคิดเราเองเราไม่ข่อยุติไม่ได้แล้วก็ฟังบทความหนังสือพิมพ์นี่เราจะเห็นว่าไม่มีมาตรฐานอะไรกลียดใช้อารมณ์อะ ก็ไม่รู้ว่าฉันไม่ชอบฉันอยากจะพูดอย่างเงี้ยคือพวกตอนนี้มาสอนนิเทศาสเชิงพุทธแล้วก็ยานที่จะสอนนักศึกษาเขาคิดเขาคิดว่าจริงๆมันเป็นลีลาอารมณ์ในการนิเทศเนี่ยมันเป็นลีลาอารมณ์และเกิดจากฐานจิตของคนที่มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรานิเทศต่อคนที่เรานิเทศ ว่าเรามีความรู้สึกดีขนาดไหนเรื่องที่เรานิเทศเนี่ยเราต้องมีปัญญาชัดเจนสิ่งที่คนที่เรานิเทศเนี่ยเราต้องมีเมตตากรุณาแล้วจะเราจะทำํำในจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็ได้สาระได้เนื้อหาได้บาเพ็ญบุญตอนนิเทศเชิงพุทธนี่คือจเจริญว่ากายสุจริตว่าจีสุจริตมโนสุจริต เป็นธรรมะปฏิบัติเพราะในนิเทศสาสตร์มันก็คือหลักการเทศการสอนการปารตกถาการอบรมอะไรต่ออรต่างๆแต่พอเอาข็้จริงถ้าเรามองโลกในปัจจุบันบนก่อนไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่มีคนเขาเล่าถึงวิทยากรที่ดังๆอยู่ในเมืองไทยเป็นบรรยายครั้งนะสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นโอ้โห แม้เราจะเห็นว่าเ อ, อมันเป็นความคิดที่มีโลภะไอเนื้อหาสาระนั้นเธออาจจะรู้หรอกแต่ว่าเธอทําด้วยใจที่มีโลภะเพราะในในสุดบางก็ปกป้องปกป้องตัวเองปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองการทอธิษฐานพูดก็คือถามว่าผู้ฟังจะรับประโยชน์อะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ นั่นคือจุดตานที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมะอาการที่สะท้อนชัดเจนก็คือสมาวิจารสมาการันตะสมาชีวะเป็นฐานเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวความเห็นตัวสมาธิถิสมาสังกปะสมาสติสม า, สสมาวยามะรสมาสมาธิเนี่ยเราต้องมีมีในระดับที่ศารทึ่งเราสื่อหรือว่าข้อความที่เรานิเทศ มันเป็นการกระทาที่กํากับด้วยปัญญาจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อผู้รับการนิเทศจะเป็นใครก็ไม่รู้คือต้องไม่คิดว่าเราจะได้อะไรเพราะถ้าคิดได้อะไรก็กำกำับความถ้าเป็นพระก็กคือขายธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณมีสิทธิ์อะไรมาขายเออ อย่างอย่างหนังสือเตี๋มมาเรียบเรียง น, นี่เยอะนะฮะก็เป็นร้อยอะคนก็มาขอลิขสิทธิ์พิมพ์อะไนี่นผมไม่ต้องขอหรอกอมาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแล้วเราก็เป็นเจ้าพุทธกันทุกคนก็จึงเป็นเจ้าของก็เรามีหน้าที่ในการถ่ายทอดเท่า น, นั้นเองแต่เราไม่เป็นเจ้าของไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรควนจริงไม่มีคําว่าสงวนลิขสิทธิ์ แล้วก็ไปเห็นเอกสารของพระอาจารย์ระดับกรรมฐานสงวนลิขิ์แล้วเราก็โอ้ยก็เราก็หดหัวนะฮะท่านมีสิทธิ์อะไรไป็นสงวนลิขิ์เราไม่มีสิทธิ์นะธรรมะหรือแม้แต่ประวิชาวิชาตั้งหลายนี่ยเราไม่ได้แต่งคืออย่าคิดว่าเราแต่งมนุษย์แต่งอะไรไม่ได้หรอกเราเรียบเรียงนะฮะรว บ, บรวมเรียบเรียงแม้นวนิยายนะ แม้แตนโยนยายที่เรเขียนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอ่านอย่างมหาศาลของเราแล้ว่าตรงนั้นที่จริงมันก็มีจุดจุดที่เราสัมผัสแล้วเราก็ชอบใจแล้วเราก็มันเดินในเรื่องของเราพอแต่เราเที่บเคียงเราก็เห็นหวันเนี้มาจากหนังสือเนี่นี่มาจากหนังสือเนี่นี่มาจากหนังสือนี้นาานนแต่เราใชาก้กำวมาแต่งแต่งไม่ถูกหรอก มันเรื่องเปน็นนันมากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแนวอินทรีย์สังวรคืออย่าให้เกิดยิ น, ยนดียินร้ายเอเนี่ยไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็คือยินร้ายพอยินร้ายพอต้องเกี่ยวข้องกันต้องนั่งใกล้กันต้องพูดกันต้องไปไหนมาไหนด้วยกันเลยเครียดแหละโดยเขาเองอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแต่เราอึดอัดเองหาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน วันข้อต่อไปจึงรัสังว่าบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่พาสุขปรารถนาความไม่กเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าประโยชน์กษัตริย์กับสังขารนั้นไม่เป็นดีละคือเขาปรารถน า, าเรื่องของเขาว่าคือถ้าเราไม่ไปรับมันก็จบอยู่ตรงนั้นเองพอเราไปรับเลยก็วุ่น แล้วข้อต่อไปก็คือการพลาดพลาดจากสัจสังขาร น, นั้นเป็นที่รักคือเรารักของเราเองแต่สังขารการพลดพลาดนี่มันเป็นนิรันด์เขาเกิดก่อนเราก็ได้เขาเกิดพร้อมๆกับเราก็ได้เขาเกิดหลังเราก็ได้แต่ว่าเราจะต้องพลาดพลาดเราพราดพลาดจากเขาก่อนหรือว่าเขาพลาพราดจากเราก่อนแต่ว่าต้องพลาดพลากเกิด ม, มาเองพอพอยุเจ็ดสิบสองนี่นะที่จริงมันเริ่มคิดมามากตั้งแต่หกสิบ เราคิดอยู่เรืเราก็นับถอยหลังอยู่เรืยแหละเราเดินทางใกล้ความตายครับไปทุกขณะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยคนเข้ามานิมนต์ข้าปีเราบอกว่าแตถ้ายังไม่ตายซะก่อนนะ่ะคงรับได้แล้วก็เราพูดเล่นจริงเราพูดจริงนะเราไปรู้ได้ยังไงวะอีกตั้งหลายเดือนเนะี่ยว่าเราจะอยู่ถึงวันนั้นเพราะเราต้องรับอย่างมีเงื่อนไขอะไปรับไปรั บ, รบยืนยันไม่ได้หรอก เราไม่รู้ว่าเราจะตายหรือไม่ตายแต่ไม่ตายเราก็ไปได้ตายเราก็ไปไม่ได้กัเท่านั้นเองทีนี้ต่อไปในความพลาดพลาดจากสัตว์สังขารเป็นที่รักเนี่ยหมายความว่าการไม่ประสบการไม่พรั่งพร้อมการไม่ร่วมการไม่ละคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปุถภะ น, น, นาคลณปรารถนาหนา้พอใจอันนี้ก็อีกอะคือเรากําหนดเราเราชอบอย่างเนี้ยเราก็อยากได้อย่างเนี้ยมันคล้ายๆกับเฉพาะอาหารแนว อาหารถ้าเราบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยแต่อร่อยจริงมันไม่มีไม่มีโดยธรรมชาติของมันถ้ามีต้องสากลจนความเกิดความแก่ความตายเนี่ยมันมีเพราะสากลเลยเป็นภาวะธรรมที่มีสภาวะธรรมที่มีอยู่อย่างมีอยู่โดยกฎของมันเนี่ยพระเจ้าจะศัตรู้หรือไม่ศัตรูไม่ได้แปลกอะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีแก่เจ็บตายไม่มีเกิดแก่ตายพระเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องเกิดมา เพราะไม่มีปัญหาให้ต้องแก้แต่เพราะมีปัญหาหต้องแก้ปัญหานี้ก็คือทุกตั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้พระเจ้าก็ต้องเกิดมาเพื่อชี้ทางอย่างน้อยก็บรเทออุทกให้หลักการเหล่านี้ทั้งหมดให้เห็นว่าที่จริงแล้วเราไปคิดเราเองคนเนี้ยมุ่งดีปรารถนาดีแต่เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ว่าความปรารถนาดีของเขาในแง่ของความเป็นจริงไม่ใช่สําเร็จรูป คือเราจะต้องมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแสดงเอาไว้เราก็จะเกิดผลบื้อผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากแหล่งใดก็ได้ที่เรารับรู้มาแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติเรบื้องถ้าเรามองในยแน่ของสังคุณนเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แนวของธรรมคุณนะฮะแนยธรรมะคุณนี่จะเห็นได้ชัดเลย เพราะตรงนี้มันเป็นเป็นสภาวธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันปอดีใจเรากําหนดว่าหน้าใครน่าปรารถนาน้าพอใจแล้วก็มองเห็นว่าเป็นที่มาแห่งประโยชน์ถ้าเรามองลึกๆอีกทีนึ่เนเน ง, เ, ง เ, เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งนะเราตั้เกจเราเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเจ้าว่าคนป่วยแล้วก็ใส่สายระโยงระยางเต็มไปหมดหอยากให้ตาอยากให้อยู่ เราเห็นแก่เราหรือเราเห็นแก่เขาก็ไม่รู้กันคือที่จริงก็น่าสงบใจดูนะน่าสงบใจดูเราเห็นแก่เราหรือเห็นแก่เขานี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าหลักการสำคัญในการไปยึดมั่นในทุกทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็หาเรื่องเอาเองดังกล่าวต้องฟ่งเท่าไหร่ สิ่งทำจากมาวมิทราลยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี